ของน้อมน้อมต่อคุณพระตาไตรขอาการอมประโ่มพาเทระรุธเทระทุกท่านาตลอดจน เ, เพื่อนสามิีทุกท่านเาจเริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็พอดีเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากลังกาเนาะก็จะเล่าบรรยากาศลังกานิดนึงเพราะได้มีกลับไปพักตามวัดต่าง ประเทศลังการนี่เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนามากน ะ, ะประมาณ 80% ดสบเซ็นของประชากรแล้วนอกนั้นก็มีศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะก็กระจายกันไปประมาณ 80% ดสเซนี่ก็ถือว่ามากทีเดียวนะแล้วก็คนศรีศลังการนี้นะมีความเคารพในพระนะในภิกษุณีหรือ เนี่ยที่เป็นนักบวชเนี่ยจะเคารพมากนะถ้าเจอพระนะ่ะก็จะกราบที่พื้นเลยนะพื้นพื้นดินหรือพื้นทรายหรือเป็นพื้นอะไรก็แล้วแต่สกปรกขนาดไหนเนี่ยเขาจะนั่งลงไปแล้วก็กราบแนวหัวแตะแตะที่เท้าพระด้วยแล้วก็บางทีแตะพื้นด้วยโอ้เรืวว่องแบเป็นแบบนี้ท่าทุกคนนะผู้หญิงก็ก็ทําผู้หญิงก็เจอพระก็ก็กราบนะกราบแต่บางคนเนี่ยเอาเนิ้วมาแตะเท้าพระก็มี แต่ท่าพระแล้วไปแตะที่ศีรษะเขาเนะีนะ่ยก็ถือว่าก็มีความเครารพในพระในพระอย่างยิ่งแล้วก็อมีการบิณาบาทด้วยอ่มีการบิณาบาทคนะ ร, ราวนี้ถ้าไปเวลาไปบินาบาทเนี่ยนะก็จะไปเดินสายละองค์เดียวนะก็จะไปตามถนนแต่ว่าเวลาแยกเข้าซอยเนี่ยก็จะไปทีละองค์แยกก็ไปองค์เดียวองค์เดียว แล้วก็ถือล่มไปด้วยแต่ไม่ได้ร่มแบบเรานะเป็นล่มแบบไ ม, ไม่แน่าใจเป็นอะไรคล้ายๆอาจจะเป็นใบตาลหรือเปล่ายาวต้องประมาณแ80ดสนะิบเซนแล้วก็มีเป็นแชแจกนะแล้วพอ ร, รูดรูดปั๊บมันก็จะกลางออกมาไดนะ้มันจะมีทําเป็นที่รูดรูดขึ้นรูดลงเพราะรูดขึ้นแล้วก็กลางคราวนี้การไปถือล่มเนี่ยก็ต้องถือลมทุกวันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนตกไม่มีแดดออกก็ต้องถือล่มไปนะถือเป็นเครื่อง มือไปบินระบาดอย่างหนึง่งนะแล้วก็ไปบินระบาดนี่ก็ออกไปแล้วก็แยกกันทีละองค์อันะตมาก็ไปองค์เดียวเหมือนกันนะไปวันแรกก็ไปเดินองค์เดียวเลยนะไปนึ้นก็ไปยืนยืนอยู่ที่หน้าบ้านนะยืนอยู่ที่หน้าบ้านสักพักหนึ่งนะดูเดียวเขาจะออมาใส่หรือไม่ใส่อครั้งนี้ถ้ายืนไปนานๆแล้วดูท่าทางไม่มีใครออกมาใส่นะก็ต้องเดินไปบ้านอื่น ไปยืนรอสักพักนึงนะเขาจะไม่มายืนรอใส่บาตรแบบของบ้านเรานะต้องไปยืนรอสักพักหนึ่งคราวนี้พอไปเห็นเขาเห็นพระในเขาก็เข้าไปในบ้า น, นสักพักนึงก็จะเอาของมาใส่บาตรนะก็มีข้าวนะข้าวเขาก็รู้สึกไม่ตักแบบเราก็จะทําเป็นห่อเป็นห่อขอมาใส่ลงไปในห่อนั้นก็มีมีข้าวนะแล้วก็มีกับข้าวก็เป็นพวกมังสวิรัต์นะ ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะที่ชาวบ้านใส่บาตเนี่ยจะมีแต่มังสุรัติทางนั้นนะจะเป็นข้าวแล้วก็มีเป็นถั่วถั่วเหลืองถั่วเหลืองอทําแบบน้ําขลุกขลิกจะเป็นมันี่ยุคแทบดูครั้งนะแล้วก็มีพวก เ, เป็นแกงคล้ายๆแกงอะไรของแกลงลูกชิ้นปางเราแต่ไม่มีลูกชิ้นมันจะคล้ายๆกันแล้วก็ใส่ เ, เป็น เดืองผักนี่ไม่ไม่ก็ะชมนานอ่ามันเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คล้ายๆของเราเมันกันแต่ไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยนะก็มารับประทานก็อร่อยดีนะ <c oughs> ครั้นี้เวลาไปใส่บาตเนี่ยต้องใจเย็นๆนะบางทีต้องไปยืนรอต้องนานกว่าคนจะโผล่มาสักคนนึ่งอ <c oughs> ่ครั้นนี้พอดีไปเจอบ้านหนึ่งนะพอดีเขาเปิดประตูมาส่งลูกเขานะนะแล้วก็ส่งลูกเสร็จแล้วพอเห็นพระเขาก็ปิดประตูเลย อก็สงสัยทําไมปิดประตูนะก็เลยมองไปที่ลูกอ๋อเป็นอิสลามนั่นเองเราเลยต้องเดินผ่านไปนะครา้ น, นี้นะพอไปบ้านอื่นก็ต้องไปยืนรอแบบนี้อีกนะยืนรอจนแน่ใจว่าเขาใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรนะเราค่อยเดินผ่านไปบ้านอด่นเนนะก็เดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆครั้นี้ก็มานึกถึงในสมัยพุทธกาลอ้อเป็นแบบนั้นนั่นเองนะเป็นคือเป็นแบบที่เราไปบินบาตรก็คือที่เสืองการนี่แหละ เนะพราะว่าตามในพุทธวัตรก็มีอยูนะ่มีพระโยงหนึ่งนะท่านใช้เวลาบินบาตรกับบางบ้านเนี่ยเป็นเวลานานมากหลายหลายหลา ย, หลายปีแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะนะนะผ่านมาหลายปีแล้วก็ไปยืนบิณนบาตรยืนอยู่ยงั้นแหละเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะวันนี้ก็มาพูดบอกว่าให้ไปข้างหน้าก่อนนะยืนมาหลายปีแล้วไม่ไม่เคยมีคําพูดเป็ น, นี้รลนดไม่เคยพูดเลยแม้แต่คําเดียว แต่วันนี้บอกว่าให้ไปข้างหน้าก่อ น, นท่านก็นเลยเดินไปข้างหน้าครั้งนี้พอเดินไปสักพักหนึ่งก็เจ อ, อสามีหญิงผู้หญิงนี้ผู้หญิงไอ้สามีก็ถามว่าได้อะไรไหมถามแบบคล้ายๆเหยาะเยยได้อะไรไหมพระบอกว่าได้วันนี้ได้มาจากบ้านท่านนั่นแหละสามีนี่ก็รีบเดินกลับมาที่บ้านถามว่าเธ อ, อวันนี้เธอได้ถวายบิณฑบาตอะไรกับพรนะองคนั้นหรือเปล่าพยาบอกไม่ได้ถวายอะไรเลยสามีก็เลยกโกรธ พระเนี่ยโกหกได้ยงไงไม่ได้ใส่อะไรบอกว่าได้อะไรครา้นี้พระวันรุ่งขึ้นก็ถามพระนี่บอกว่าเมื่อวานทําไมบอกว่าได้อะไรนภรรยาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ใสอะไรเลยท่านบอกว่าก็ได้คําพูดไงบินถ้บาดไม่ต้องหลปีไม่ได้อะไรแต่เมื่อวานภรรยาท่านบอกว่าให้ไปข้างหน้าเถิดเนี่ยก็คือได้แล้วนเนี่ยแค่นี้เท่านั้นเอง <laughs> ถือว่าได้แล้วตอนหลังก็คงจะเกิดความเลื่มใสขึ้นมานก็เลยใส่บาตตามปกติ ครั้นี้มันนึกถึงสมัยที่ไปอยู่ที่ศีรังกาก็คุ้แบบนี้เหมือนกันนะเราก็ต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาเนอยู่ที่เขาจะใส่หรือไม่ใส่นะแต่ยังดีเขาไม่ได้บอกไปข้างหน้าเถิดนะแล้วบงบางสายเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพระไปบินธบารมานานก็ก็มีแล้วบางที่ไปบางวัดเนี่ยไม่มีไม่เคยมีพระไปบินธบารเลยเพราะพระศีลังกานี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะมากมายนะแล้วก็วัดก็ไม่ไม่ไม่เยอะว่าไปบางแห่งนี่ก็ไม่มีพระไปบินธบาร แต่เราก็ไปบินบาดเป็นคนแรกของสายนั้นนะมาเป็นรบาดคนแรกก็ต้องไปยืนรอนานนะนะแต่พอเขาออกมาใส่เขก็ใส่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไปยืนรอนะก็เดินไปต้องใจยเย็นๆนะไปยืนรอแั้พักหนึ่งใหญ่ๆให้เขให้เขาเห็นตัวนะถ้าเขาไม่เห็นก็ยังไม่เปิดประตูก็ต้องยืนอยู่ก่อนระยะหนึ่งนะจะรีบเดินไม่ได้เดี๋ยวก็เลยไม่ได้กับข้าวพอดนะีไม่ได้ข้าวไม่ได้กับข้าวนะเนี่ยต้องใจยเย็นๆไปนะแล้วก็ใช้วิธีให้พรนะเราให้พรแบบ เสี่ยลังกายไม่ได้ก็ให้พอแบบอภิวาทนาศีริสายเหมือนกับเราเนี่แหละแต่เขาก็ฟังรู้เรื่องเนาะนแล้วพอดีบางทีก็มีคนผ่านไปผ่านมานะขี่มอเตอร์ไซค์มาเขเห็นเออได้บินบาบาทเขาก็จอดรถนะแล้วเขาก็เอาเอาเอ า, อ า, อ า, อาหารในที่เขาน่าจะไปเตรียมอ่าทานน้าจะเป็นมื้อกลางวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเอาเอามาใส่บาตรด้วยนะเออก็มีอยู่สองคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ใส่บาตรอย่างงี้ยนะ นะพอไปเปิดดูขนาดอาหารของญาติโยมเขาก็ยังเป็นมังสวิรัติเลยนะไม่ไม่มีเนื้อสตัตว์หรอกอาจจะเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์กันเพราะว่าดูแล้วคนทางด้านนู้นก็คงจะยิ่งถ้าเป็นชาวพุทธก็คงจะถื อ, อมังสวิรัติเป็นส่วนใหญ่นะนะคราวนี้เวลากลับมาที่วัดนะีะกลับมาที่วัดแล้วก็อเอาเอาเอาเอ า, เอาของที่ใส่บาทรเนี่ยไปวางไว้นะไปวางเอาไว้ นะแล้วก็เราจะจัดเราเองก็ได้นะใส่ข้าวแบ่งมาเลยกับข้าวแล้วก็ข้าวแล้วก็ใส่ใส่ในบาตรของเราแล้วก็ใส่ข้าวไปพอสมควรที่จะฉันแล้วก็ใส่กับข้าวไปพอสมควรแล้วที่เหลือแล้วก็วางเอาไวนะ้เป็นประโยชน์พนระองค์จเจ้าของเราไปฉันก็ได้หรือญาติโยมจะไปฉันก็ไดนะ้อันนี้ก็คือวิธีการที่ไปบิณฑบาตมาครั้นะี้ครั้นี้บางวัดก็มีนะอยู่บนเขาก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตก็มีเพราะว่าลําบาก ก็มีญาติโยมเนี่ยเขาก็ขึ้นไปใส่ขึ้นไปบนวัดเลยแต่ไม่ได้ใส่บาตรน ะ, ะพระก็เอาบาตรเนี่ยไปตั้งไว้บนโต๊ะตั้งบนโต๊ะแล้วก็มีมีรองบาตก็คือเป็นคล้ายๆห่วงยางนะห่วงยางรองไว้แล้วยาติโยมเขาก็ตักข้าวลงมาใส่ใส่ข้าวลงมาเราดูถ้าข้าวพอแล้วแล้วก็มือบงังเอามือกลางนิ้วเงี้ยคล้ายๆแบบพายเนี่ยบังไว้ที่ฝาบาตรเออบังไว้ที่บนบาตร พอบังปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ใส่แต่ถ้าไม่บังเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆตอนแรกไม่รู้ไม่ได้บังเขาก็ใส่ใส่มาอีกแล้วก็ไม่รู้เออไม่รู้วิธีการบังนะก็ใส่เยอะเกินไปตอนหลังถึงรู้ว่าเรามือบังเขาก็หยุดนะแล้วเขาก็ใส่ ก, กับข้าวม า, อาพอแล้วก็มือบังนะ ก, ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะพอชันชายไม่สักพักหนึ่งเขาจะมาใส่อีกแล้ว <laughs> เขาก็เดินมาอีกเอาข้าวไหมเอาอะไรไหมเราก็เรามือบังตลอดเลยนะละเขาเขาก็เยอะอยู่ ครา น, นี้วิธีการฉันของเขาก็คือก็จะไม่มีช้อนนะไม่มีการใช้ช้อนเลยนะใจะใช้มือตลอดนะมือของเราเนี่ยมือจับแล้วก็ใส่ปากเกานะทุกคนนะก็เป็นแบบนี้หมดนะพระทุกองค์แล้วก็ญาติโยมเาก็ฉันแบบนี้หมดใช้มือหมดตอนหลังไปสังเกตดูตามร้านอาหารนะร้านอาหารแม้แต่ตามร้านอาหารที่ดีๆหรือพระาคารประชาชนก็ยังใช้มือรับประทานเอาเลยนะ ใช้มือหมดนะไม่ไม่ได้ใช้ช้อนหรอกตามร้านอาหารทัว่วไปก็ใช้มือหยิบเอาแล้วนะสงสัยเอ๊ยอย่างนั้นถ้าเป็นน้ําแกงนี่เขาจะทำยังไงปรากฏก็บอกว่าน้ําแกงเขาใช้ยกซดเอาคนะงคงจะล อ, อยไปอย่างเนาะมาชาตาิมาเลยต้องใช้มือฉันเลยเพราะไม่มีชอม้อนพอช้อนไม่รู้หายไปไหนพอเก็บมาไว้แล้วหาช้อนไม่เจอก็เลยใช้มือฉันมันสี่ลงการเลยมายชาติเลยได้ใช้บรรยากาศใช้มือฉันเอานะ จริงๆใช้มือชันในวัดในเมืองไทยก็มีอยู่นะเป็นหลายๆวัดอยู่นะในวัดสายบ้านป่าวัดป่าบ้านตาเนี่ยท่านก็ใช้มือชันห่เหมือนกันนะไม่มีช้อนไม่ได้ใช้ช้อนเหมือนกันนะยิ่งโดยเพาะข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวได้ใช้มือใช้มือชันเนี่ยมันจะสะดวกกว่าใช้ช้อนนะใช้มือเนี่ยเปิดอไปเลยเป็นคำคำเป็นก้อนๆกลมๆใส่ปากก็อร่อยแต่ต้องล้างมือก่อนนะไม่ใช่อยู่ดนไปฉันเนี่ไม่ได้นะติดเชื้อโรคเงานะอพะชันเสร็จและก็ต้องไปล้างมือนะเนี่ย ก็เป็น ه, ก็ลอยไปอย่างหนึง่งนะครันนี้ให้พรนี่ก็มีเหมือนกันนะก่อนก็คล้ายๆเราอาจจะให้พรก่อนหรือให้พรหลังก็ได้นะแต่เขาจะพร้อมกันเนี่ยพอจบเสร็จทุกทุกองแล้วก็ให้พรให้พรพร้พอมกันนะหรือให้พรก่อนก็เหมือนเราต่างคนเลิกแล้วก็ไปไปล้างบาตรไปอะไรได้เหมือนกันแล้วมือเพนเขก็มีนะมือเพนก็แต่มือเพนนี่เขาจะเาะไม่ได้ฉันข้าว แต่ว่าจะเป็นชันผลไม้เป็นหลักผลไม้และขนมนะชันผลไม้และขนมก็ก็ส1บเอ็ดนาิกาเหมือนกันสิบเอ็นาฬกาสเสร็จก็ชันเพนะ น, ะนะหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างปฏิบัติธรรมจนถึงตอนเย็นก็ประมาณห6หมงเย็นแล้วแต่วัดไหนจะตั้งเวลาเท่าไหร่ก็คล้ายๆเรานะะั่นแหละห้าหมงเยนหรือจะทุ่มนึงก็มีคราวนี้วิธีการงเขาคือทุกวัดของเขานะ ที่ตางของเราก็คือจะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งนะเป็นต้นโพที่มีความสำคัญมากนะแล้วก็จะทำเป็นฐานนะเป็นฐานซีเมนต์รอบๆต้นโพนั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ได้หรือทรงคมก็ได้แต่ต้นโพนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยคราวนี้เวลาทำวัดเนี่ยก็จะไปยืนไปที่ต้นโพก่อนนะแล้วก็จุดนะไปจุดนะที่ใต้ต้นโพนั้นก็จะมีพระพุทธรูปด้วยนะมีพระพุทธรูปอยู่ ก็คือหมายนกับว่าเป็นภูเจ้าเนี่ยแหละนั่งอยู่ใต้ต้นโพอ่าปางส่มากก็จะเป็นปางอ่าสมาธินะหรือไม่แน่ใจแต่แน่าเป็นปางสมาธิเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะจุดทูป India. อินเดียทุปแขกก็ไม่กินหอมมากนะทุปเล็กเล็กดำดำส้นอ่าผอมๆนะเป็นทุปแขกจุดแล้วหอมมากก็จะคนละดอกอ่จุดเสร็จแล้วก็ไปปักเอาไว้นะปกักเสร็จแล้วก็เดินไปที่ต้นโพก็ต้นโพก็อยู่ตรงนั้นนะนะั่นแหละอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ไปนั่งแล้วก็อ่า นะแล้วก็มีสวดเป็นภาษาศีลังกาแต่ไม่ยาวสั้นๆแล้วก็กราบนะนะกราบเสร็จแล้วก็ครั้นเข้าไปในในที่จะทําวัดนะซึ่งอยู่ไม่ไกลนะอยู่ไม่ไกลนะเข้าไปทำวัดกันทำวัดนี่นะก็คล้ายๆเรานะอรหังสัมมานโะมตัสสะเนี่ยพวกเราได้หมดเลยนะแล้วส่วนใหญ่ที่เขาชอบก็คือธรรมจักนะธรรมจักกับปันญสูตรแล้วก็มงคลสูตรที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วนั่นแหะ แต่เขาไม่ได้มีแปลเป็นไทยเนาะก็สวดเป็นภาษาบาลีล้วนๆเลยนะแล้วก็มีสวดแบบที่เราถ้าสวดในมณฑพิธีนะถ้าใครสวดบนมณฑพิธีเป็นภาษาบาลีได้ก็ไปสวดที่นั่นได้เลยเ้านี่มีหลายๆหลายๆสูตรนะหลายๆบทสวดมลคล้ายๆกันนะสวดได้นะน้ำเสียงก็คล้ายๆกันเดี๋ยวฟังฟังรู้เนี่ยก็ยังสวดเข้าได้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเคยอสวดๆกันมาก็พอจะสวดได้นะเขาเขาเขาเขาไปกันไปนะ ครั้งนี้พอทำวัดเย็นเสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีครูบาอาจารย์ให้ก็มานั่งพูดให้ฟังสักระยะหนึ่งนะหลังนั้นก็ปฏิบัติธรรมนะหลือจะแยกย้ก็ไปปฏิบัตินะแล้วก็เข้าไปนอนนะนอนก็ไม่ดึกเท่าไหร่แล้วแต่ใครปฏิบัติเสร็จ แ, แล้วก็ไปนอนกันก็ประมาณ 3- ามสี่ทุ่มนะวัดที่ไปก็จะมีทางจงกลมอยู่ตามกุฎก็มีทางจงกลมนะแล้วก็จะมีลาน นะตรงที่เป็นต้นโพธิ์ส่วนมากก็จะเป็นทรายเป็นทรายเป็นทรายแทบทุวัดเลยนะเป็นที่กว้างขวางนะแล้วก็ไปนั่งไปบัตรแถวนั้นได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เราจะมีทางจงกรมด้วยอคราวนี้ตอนเช้าก็มีทําบัตรเหมือนกันนะทําวัดก็แล้วแต่บางวัดนะบางวัดก็ทำตีสี่หรือตีห้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คล้ายๆกันนะมันก็ทําวัดเย็นนะพอทําเสร็จแล้วก็สว่างหน่อยก็ประมาณถ้าหกโมงกว่าก็เริ่มไปบินาบาต แล้วก็กลับมาฉันเงี้ยวนเวียนกับแบบนี้นะครั้นี้ดูดูการปฏิบัติธรรมเขาก็ก็รักแต่บางวัดนะบางวัดก็น่าจะปฏิบัติเข้มแข็งบางวัดก็ไม่ค่อยปฏิบัติก็มีนะก็แล้วแต่คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งใจปฏิบัติหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติครั้งนี้ก็ไปอยู่วัดนึงก็ภระนี้ก็พระเจ้าวัดนี้ก็มีชื่อเสียงมากเป็นพระที่ท่านก็แต่งหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษในพุทธานาในเยอะแยะเลยนะก็ออกซีดีต่างๆด้วยแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเยอะแยะน่าจะคล้ายๆกับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลงเราเนาะท่านก็มีชื่อเสียงก็เมื่อก่อนท่านก็เคยเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วยนะทุกวันนี้ท่านก็มีชื่อเสียงในการเผยแพร่มากนะีก็ไปอไปเจอวัดต่างๆนะก็เป็นพระที่หน้าเริ่มใส่มากนะีท่านก็สอนในการไปบัติต่างๆเยอะแยะเลยนะนะนะชาวนะแล้วก็ ส่วนอ่าส่วนแต่ละวัดนะพระนี่ก็อยู่ส่วนพระนะจะไม่มีแม่ชีนะในสื่ลังการนี่ไม่ไม่ไม่แมชีนะไม่แม่ชีจะเป็นถ้าเป็นก็เป็นภิกษุณีเลยหรือไม่ก็เป็นสามัญในลีนะครั้นี้พระวัดที่มีพระเนี่ยกับภิกษุณีหรือแม่สามัญในลีจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกไปคนละวัดนะแยกกันไปอย่างเด็ดขาดเลยนะเพราะนั้นตามวัดนี่จะไม่มีผู้หญิงเข้าไปพักนะ ไมมีผู้หญิงไปพักถ้ามีผู้หญิงไปพักนี่ต้องแยกกัไปไกลมากเลยไปอ ย, อยู่ไกลแทบจะอยู่นอกเขตออกนอกเขตวัดเลยส่วนในวัดนี่จะมีแต่พระอย่างเดียวนะไม่มีผู้หญิงพักนะส่วนที่เป็นภิกษุณีพักก็ไม่มีพระเหมือนกันนะก็ก็ห้ามผู้ชายเข้าไปพักเนะี่ยก็แยกกันเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ตามพระวินยัยเราจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลนั้นนะนะบอกว่าภิกษุณีเนี่ยนะจะต้องพักอยู่ในวัด ที่มีพร ะ, อะคอยดูแลอยูนะ่ในสมัยพุทธกาลก็บัญญัติเบอร์ประนั้นนะคือต้องอยู่อยู่กับพระนั่นเองนะพิษณุณีจะแยกอย่งังไม่ได้เพราะในสมัยก่อนก็คงยานตรายนะถ้าภิกษณุณีไปแยกอยู่ตามลําพังอาจจะมีโจรผู้ร้ายนะเข้าไปทำร้ายหรือทําการข่มเหตงต่างๆได้เพราะสมัยก่อนไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งนะไม่มีตามํารวจไม่มีอะไรเพราะฉนั้นถ้าพิกษณุนีไปแยกไปลําพังอยู่ในปา่าที่ไกลๆนี่ก็น่ายานตรายมาก แต่ทุกวันนี้คล้ายว่ามีกฎหมายที่เข้มแข็งมีตำรวจนะมีการปกครองที่ดีเพราะนั้นเดยวนี้ก็คงไม่มีอันตรายก็เลยแยกกันได้อย่างนั้นนะนะนะก็เป็นแบบนั้นอืมคราวนี้นะสิ่งที่ชาวพุทธนะในศีลธรกา ร, การนี้นับถือมากสุดก็คือนะพระเขี้ยวแก้วนะพระเขี้ยวแก้วก็ก็คือฟันของพระเจ้านั่นแหละนะนะอยู่ที่คันดีนะเป็นสิ่งที่นะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก นะทุกๆวันก็จะมีคนไปกราบไหว้กันเยอะมากเลยนะไม่ไว่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือคนศรีลังกาคนศรีลังกาก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปกราบไหว้กันเยอะมากนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวนะแล้วครั้นี้ตามประวัติบอกว่าถ้าก่อนที่จะมีงานแห่ขี้แก้วเนี่ยคือช่วงนั้นถ้าไม่มีฝนตกนะแต่ถ้าวันงานที่จะแห่เนี่ยก็จะมีฝนตกนะมีฝนตกแต่ในช่วงที่แห่ก็ยังไม่มีฝนตกนะครั้นี้พอแห่จบไปแล้วเนี่ย ลังนีก็มัจะมีฝนตกต่ออเจ็วันนะซึ่งเป็นงี้มาประจำนะก็ะแสดงว่าพระเกียวแก้วเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคนก็ไปคอยดูคนเยอะนะชาวตา่างประเทศก็เยอะมากนะนะคราวนี้สิ่งที่นะน่าแปลกใจหรือน่าภูมิใจของชาวลังกายยานึงก็คือว่าอย่างในบางเมืองที่มีเจดีย์ใหญ่ๆนะเจดีย์เขานี่ใหญ่มากแต่ไม่ไม่เหมือนเจดีย์ของไทยเจดีย์จะเป็นทรงอ่านะ ตรงบาดคว่ำนะเป็นบาดคว่ำซึ่งใหญ่มากนะบางอย่างเช่นอนุราชกุละเนี่ยจะใหญ่ใหญ่มากน่าจะพอๆกับที่พระพรหมเจดีย์หรือจะใหญ่กว่าซะด้วยนะแต่คนละทรงกันนะคราวนี้ถ้าเป็นวันเสราร์อาทิตย์นะหรือวันศุกร์นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีชาวเสียงกาเนี่ยเข้าไปเข้าไปในสถานในที่มีเจดีย์ใหญ่เนะี่ยเยอะมากเลยนะ ตอนแรกก็คือไปไปอยู่แห่งหนึ่งเออนึก็่าเามีงานอะไรกันตอ น, น, นไปช่วงเย็นแล้วคนมากันเยอะมากเรื่องมีงานอะไรกันมากันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเข้าไปดูจริงๆแล้วอเขาเข้าไปเพื่อที่จะสวดมนต์กันนะไปสวดมนต์ที่พระเจดีย์ใหญ่นะสวดมนต์กัน แ ต, แต่ชาวศรีลังกาอย่างชาวบ้านเขาไม่ค่อยปฏิบัติธรรมนะก็จะใช้การสวดมนต์เป็นหลักนะหรือพระนะก็ใช้การสวดมนต์เป็นหลักไม่ค่อยปฏิบัติธรรมกันในบริเวณเจดีนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าเ อ, อน่าสรรเสริญเขานะเขาใช้เวลาใ น, ในเวลาเย็นเนี่ยเขาเลิกงานแล้วมาสวดมนต์กันก็ถือว่า ด, ดีดีมากแล้วนะแต่ของของไทยนี่ไม่มี <laughs> หายากนะหายากที่ว่าเ อ, อวันเสาร์อาทิตย์ หรือตอนเย็นอะไรเนี่ยจะไปสวดมนต์กันหายากนอกจากมันสาคัญในพุทธศาสนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของเขามากแต่ถ้าวันธรรมดาน่าจะน้อยไม่ค่อยมีคนนะเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะนะส่วนการทําวัดช้าวัดเย็นของของที่ที่ที่วัดนะจะมีญาติโยมมามาทำด้วยญนะาติโยมที่อยู่ไม่ใกล้กักวัดนี่เขาก็จะมาร่วมด้วยมาทําวัดกันด้วยนะนะมาทําวัดกันแต่ก่อนที่จะทําวัดเนี่ย เขก็จะมีพิธีการถวายอ่าถวายคือก่อนที่จะทําวัดนีจะมีการถวายทุบเทียนก่อนนะจะเดินอาจจะจะส่งบนมาจากย่าโยนเนี่ยส่งบนมาจนท่านถึงพระเนี่ส่งวนมาตามลําดับนะแล้วก็แล้วก็ไปวางมีส่งตอนแรกส่งทูบก่อนนะแล้วก็มีส่งดอกไม้อ่าดอกไม้ก็เป็นถั่วซึ่งชาวบ้านน้ำมันเนี่ยเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีอ่ามีเป็นถ้วยถ้วยน้ําก็มีนะถ้วยน้ํา คล้ายวมชาเลยมีมีมอยู่อะไรถ้วยแล้วก็มีผ้าปิดอยู่แล้วก็ไปวางไว้นีจะเป็นพิธีกรรมนี้แทบจะทุกวัดทุกแห่งนะแลวบางบางแห่งบางแห่งไม่แน่ใจนะไม่รู้มีทุกวัดหรือเปล่าประมาณตอน10บโมงก็มีถวายอาหารพระด้วยนะมีถวายอาหารพระพระพุทธรูปนะถวายอาหารพระพุทธรูปด้วยก็คือพิธีกรรมในเขาก็เยอะมากนะครั้นี้นะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยบรรยากาศทั่วๆไปก็คือ ลังกาเนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวสิงหนนะ์ผลเป็นส่วนใหญ่กับชาวธรมินนะเพราะฉนั้นเขาจะมี2ภาษาคือภาษาสิงหผลและภาษาธรมินนะส่วนภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษนะนะแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปก็คือนะจะเป็นส่วนมากก็จะมีฝนตกแบบภาคใต้ของไทยเนี่ยภาคใต้ของไทยเขาเรียกว่าฝน8ปดแดดนะนะจะมีฝนเยอะนะแล้วก็มีแดดเยอะแต่ไม่ค่อยหนาว แต่บริในตอนกลางของศรีลังกาเนี่ยจะเป็นที่ราบสูงนะจะเป็นแบบคล้ายๆภูเขาเนี่ยสูงขึ้นมาจากน้ำทะเลเนี่ยมากเลยเพราะอากาศจะเย็นนะบนภูเขาเนี่ยอากาศก็จะเย็นเย็นสบายดีนะก็เลยมีการปลูกชาใน <c oughs> การปลูกปลูกใบชานะก็เรียกว่าออใบชาซีรอนนะซีรอนทีนะเป็นสินค้าที่ส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะก็จะปลูกตามเชิงเขาไหลเขาพ้นภูเขาของเขาเนี่ยจะมีความสวยงามมากนะ มีความสวยงามเพราะว่ามีการปลูกใบชาเี่ทําให้ต้นทําให้ภูเขาเนี่ยมีความสวยงามเป็นสีเขียวสดชื่นนะอากาศตอนช่วงกลางเนี่ยอากาศจะเย็นสบายเพราะมีภูเขาอยู่นะต้นซึ่อืก็จะร้อนนะมีร้อนแล้วฝนตกไปแบบนั้นนะอสินค้าเราดับนั้นอันดับหนึ่งก็คือใบชาดับที่สองก็คืออายางอายางาก็คือน้ำยางพารานั่นเองนะอันนี้ก็คือสินค้าของลังกานะ นะชาวลังกานี่ก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะอัธยาศัยดีมากน ะ, ะเจอพระเจออะไรนี่ยเขาก็ดีอย่างที่ว่าแล้วแหละเป็นชาวพุทธที่หน่าให้ให้ความเคารพกับมานักบวชได้อย่างดียิ่งน ะ, ะในสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ว่าเออจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าพุทธศาสนานี้นําสิ่งสิ่งดีๆให้แก่ชาวลังกานั่นคือความเป็นผู้อ่อนโยนความเป็นผู้มีเมตตานะความเป็นผู้อ่ เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ใจดีนั่นเองนะใจดีนี่น่นาจะเกิดจากพุทนาเพราะว่าเขาเมื่อมีความอ่อนโยนอ่อนน้อม่ะไรใจเขงดีไปด้วยนะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมนั่นเองน ะ, ะการปบัติธรรมส่วนใหญ่ของชาวศรีรังกาก็ใช้นั่งสมาธิเอานะแล้วก็เจริญ อ, อาณาปานสติแล้วก็ อ, อสุภะนะเป็นส่วนใหญ่นะคงไม่ได้เห็นชาวเสียงการมายกมือสิบสี่ยังหวเนาะ แต่เราก็มีพิเศษเลยเขานะเราก็ยกมือเนีเราก็มีโอกาสได้พูดเรื่องจเจริญสติให้ให้นักบวชศรีลักการฟังบ้างเนะี่ยให้เขารู้เรื่องสตินะคนจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าการปฏิบัติที่เข้มแข็งแล้วน่าจะเป็นประเทศไทยนะน่าเป็นประเทศไทยอ ย, อย่างพมา่พมาพม่าเขาก็ปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฟุตมากก็จะเป็นนับประรำนะจะใช้การจเจริญภาวนาโดยรูกประคำ นะส่วนอินเดียนี่เขาคงจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นการบารที่เข้มแข็งก็น่าจะเกิดจากประเทศไทยและชาวเสียงการนี่ส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่หรือเปล่านะ่าจะมีอยู่คนมาถามหลายคนแล้วว่ า, ว า, ารู้จักนะเมืองไทยในมีแม่ชีคนหนึ่งที่เก่งมากนะชาวเสียงการนี่บอกว่าโอ้แม่ชีในเมืองไทยคนนี้เก่งมากเลยนะเขจะนับถือแม่ชีคนนี้มากแม่ชีคนนี้ชื่อแม่ชีแก้วเสียงล้านะอยู่ที่มุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันอธิทฐานก็เป็นพระาธาตุแล้วนะแล้วก็มีประวัติของไม้ชีแก้วเสียงลนะ้ําแรับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเผนะยแพร่ในลังกาเพราะฉะนั้นชาวลังกาเนี่ยพอเห็นมาจากเมืองไทยก็จะถามถึงเรื่องไม้ชีแก้วเก็ศรัทธามากนะบอกว่าเออไม้ชีในท่านก็เป็นพระรหันต์อะไรอย่างงี้นะก็เลยศรัทธาเพราะฉะนั้นความศรัทธาก็เลยมาสู่นักบวชชาวไทยด้วยนะทั้งพระทั้งชีเนี่ยเขก็นับถือไปด้วยนะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นการปฏิบัตินี้นะเราก็ในเมืองไทยนี่ถือว่าโชคดีแล้วนะว่าเรามีสถานที่ต่างๆในการปฏิบัติธรรมที่ดีนะถ้าพูดถึงสถานที่หรือวัดเนี่ยของเรานี่ก็ดีกว่าเขานในการที่เราสะดวกในการปฏิบัติธรรมได้มากกว่าของเขาอีกนะวันเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่วัดไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องอาหารการกินจริงๆก็น่าจะสู้เมืองไทยไม่ได้นะ เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อุดมสมบูรณ์ในเมืองไทยนะที่จะเอื้อ ก, กับการปฏิบัติธรรมอสมัยก่อนเคยเคยอยู่วัดเคยไปเที่ยวอยู่วัดหนึ่งเจอพระมาจากอินเดียพระมาจากอินเดียพอดีก็เลยสนิทกันนะท่านก็ามาคุยอยู่เรื่อยๆนะพอดีในวัดนั้นไม่มีใครพูภาษาอังกฤษได้ก็เลยพอพูดได้บ้างก็เลยมาคุยกันพระนี่บอกว่าอ้พระเมืงบบอมงไทยนี่โชคดีมากนะนะอะ บอกว่าเนี่ยมีคนอุปธรรมเนี่ยมากเลยใส่บาตรหรือว่ามีคนมาทำบุญมากนะแต่พระที่อินเดียเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยลำบากมากไม่ค่อยมีใครอุปธรรมเท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยที่จะมีใครสนับสนุนหรือใส่บาตรหรืออะไเมืองในเมืองไทยบอกว่าเมืองไทยนี่โชคดีมากนะเพราะฉนั้นถือว่าเมืองไทยเรานี่โชคดีแล้วนะที่เรามีการมีสถานที่เช่นนี้นะในการบธรรมทะ เราขอให้เราใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะเพราะนี่ก็ใกล้ที่จะเข้าบรรษาแล้วเนะี่ยเราการเข้าบรรษานี้นะถือว่าเป็นเวลาหนึ่งที่จะต้องกระทำอะไรที่ให้เกิดประโยชน์ตัวเราให้เต็มที่นะเพราะาเป็นเวลาถึงสามเดือนนะสามเดือนนี้เราจะตั้งอะไรในตัวเรานะสิ่งที่จะตั้งขึ้นมาก็คือเราจะต้องทำอย่างไรให้กิเลสในใจของเราของเราในลดลงนะนี่สาคัญที่สุดนะ ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วกิเลสมันไม่ลดก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉนั้นนะเราตั้งใจว่าเออทำอย่างไรให้กิเลสในใจของเราเนี่ยให้ลดลงนะคราวนี้วิธีการที่ให้ใหกิเลสในใจเราลดลงเนี่ยประการแรกคือเราต้องรู้ทันกิเลสก่อนนะถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสแล้วมันจะลดลงได้อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันถ้าเราสามารถรู้ทันอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเบาลงนั่นเองนะ เราต้องรู้ทันกิเลสในใจเราให้ได้นะมันก็จะลดลงไปเองแต่ถ้ารู้ไม่ทันแล้วมันก็จะไม่ลดลงไปแน่นอนนะเลยอย่างหนึ่งกิเลสมันสมบัติไม่จะเกิดตอนที่เราลืมตาน ะ, ะบางทีเราบอกว่าเรานั่งหลับตาแล้วเนี่ยจะชนะกิเลสได้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่กดข่มกิเลสเท่านั้นนะแต่การที่จะชนะกิเลสได้ก็คือการที่เราลืมตานั่นเองนะเราลืมตาคือเราปฏิบัติทําโดยการลืมตานะลืมตาตาเราเห็นรูปนะเห็นรูป เราเกิดความยินดีด <Amerika> <in> นร้ายไหมหูได้ยินเสียง เ, เราเกิดความยินดีดีร้ายไหมจะมุกได้กลิ่นเกิดความยินดีร้ายไหมปากกระทบรถลิ้นกระทบรถเกิดความยินดีร้ายไหมกายกระทบเย็นร้อนอนแข็งเกิดความยินดีร้ายไหมใจคิดนึกไปในทางใดก็แล้วแต่มีความยินดียินร้ายไหมเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็คือเรารู้ทันอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ต่างๆก็คือกิเลสต้นเองก็คือความยินดียวามร้ายทั้งหลายแหลความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความเหงาความเครียดความกลัวความอิจฉาความเมืงขวงพวกนี้คืออารมณ์ทั้งหมดเลยและพวกนี้ก็คือกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ทันอารมณ์นั่นก็ก็คือเรารู้ทันกิเลสแล้วคราวนี้เมื่อเรารู้ทันกิเลสแล้วเราเราจะทําอย่างไรนะก็คือเมื่อเรารู้ทันอารมณ์แล้วเราจะทำอย่างไรก็คือเราแค่ดูมันเฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปไล่ก็ออกไปหรอก <พ><ก>ไม่ต้องว่าความโกรธไม่ดีนะไล่เขาไปทิ้งเข้าไปไม่จําเป็นเราดูเขาแสดงอาการก็พอแล้วเราเป็นผู้ดูไปนะดูเขาแสดงอาการเข้าไปแล้วในที่สุดเขาก็เกิดแล้วเขาก็ดับของเขาเองนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเจียงสภาวะทํามที่มันเกิดแล้วมันดับนะเห็นพวกนี้เรื่อยๆแล้แลวมันก็จิตก็จะเกิดความเบื่อนหน่ายในความเกิดขึ้นเหล่านั้นนั่นเองนะแต่ถ้าเราไปคอยบังคับเขาอย่าให้เกิดนะอย่าให้เกิดนะ หรือเกิดแล้วต้องรีบดับนะอันนี้ก็เป็นการแทรกแซงสงภาวธรรมแล้วก็ไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงของของเขานะยิ่งเราเห็นความเป็นจริงได้เท่าไหร่มากเท่าไหร่ในสภาวะที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปเราจะยิ่งเกิดความเบือ่อหน่ายมากเท่านั้นนะเมื่อมันจิตเบื่อหน่ายก็จะเกิดการใครายกำหนัดเมื่อจิตใคลายกำหนัดก็จะเกิดการหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นแล้วนะจิตเน่ยเห็นะยิ่งเห็นสภาวะความเป็นจริงในสิ่งระวังค้าบัญชาก็ไม่ได้ นะมันแสดงความไม้เที่ยงให้เราเห็นนั่นคือความที่เราบังคับบัญชาไม่ได้จิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไปมากๆจิตเบื่อหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆในสุดก็เกิดเวลาคะก็คือการคลายออกจากความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยเราก็จะเข้าใจในธรรมะตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะเพราะฉะนนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะการเอาดีมันเอาดีไม่ได้หรอกนะยิ่งเอาดีมันก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่ความกังวลมีแต่ความเศร้าหมองเพราะมันจะไม่ดีอย่างที่เราต้องการอย่างแน่นอนเพราะจิตมันสแสดงให้เราเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นในจางทุกหน้ตาบังคับบัญชาก็ไม่ได้มีความไม่เที่ยงเราเห็นปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็แค่รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานั่นเองนะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็ยอมรับทั้งสิน้นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วมีความกงุดหงิดความเบือ่อความง่วง ความเงาความเครียดก็ไม่เป็นไรก็ดูไปรู้ไปเพราะสิ่งนั้นก็คือความจริงของเรานะไม่ใช่เป็นสิ่งเราปรุงแต่งขึ้นมานะเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละรู้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะแสดงอาการเกิดดับให้เราเห็นเองนะนั่นแหละจิตมันจะได้เบื่อหน่ายนะเพราะฉะนั้นในพรรษา น, นี้น ะ, ะก็ขอให้เราตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะละกิเลสใน ใ, ใจของเราให้หมดสิ้นไปนะสุดท้ายนี้ก็ทุกท่านถึงความพ้นทุกข์ได้โดยทั่วการทุกท่านเทิด